ความเข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมความเข้าใจในเรื่องล้ำลึกอย่างที่สุดคือเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมก็จะเกิดได้ด้วยความมีปัญญายิ่ง ความใช้ปัญญายิ่งคิดตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในเรื่องของกรรมว่ากรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นแม้ใช้ปัญญาคิดเช่นนี้เนืองๆย่อมได้ความเข้าใจถูกต้องหยิบยกพระพุทธดำรัสเรื่องกรรมขึ้นพิจารณา ด้วยใจที่สงบไม่วุ่นวายแม้ในระยะแรกจะไม่เชื่อว่าเป็นจริงแต่แม้คิดใคร่ครวญพิจารณาเนืองเนืองก็ย่อมจะได้ปัญญาเป็นแสงสว่างทำลายความมืดไม่รู้ให้เป็นความเห็นถูกรู้ถูกในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสไว้ ด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวงความจริงที่เที่ยงแท้ส่วนของกรรมย่อมเป็นไปตรงตามกรรมอันเป็นส่วนเหตุที่ได้กระทำแล้วคือผลดีย่อมเกิดแต่เหตุดีผลไม่ดีย่อมเกิดแต่เหตุไม่ดี พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงนี้ที่แม้เห็นได้ยากแต่ก็เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้จะมีผู้เข้าใจหรือไม่จะเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตามความจริงนี้ย่อมเป็นความจริงตลอดไปทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น มันพิจารณาในเรื่องของกรรมเสมอโอกาสมีอยู่เสมอสำหรับที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญารู้ตามพระปัญญาในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณาเรื่องของกรรมได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรเพียงทำใจให้สงบพอสมควรก่อน เพื่อเหมาะแก่การน้อมไปใช้พิจารณาให้เกิดผลให้เป็นความรู้ของตนมิใช่เป็นความรู้ของพระพุทธองค์ที่ตนเพียงจดจําไว้เท่านั้นเพราะความรู้ของผู้อื่นนั้นแม้จดจําไว้อย่างไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจจริงด้วยตนเองความรู้นั้นก็ยังไม่ใช่ปัญญาของตนเห็นอะไรได้ยินอะไร อย่าสักแต่ว่าเห็นอย่าสักแต่ว่าได้ยินอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้เห็นอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้ยินอันมิใช่ปัญญาเห็นแล้วต้องให้เป็นปัญญาได้ยินแล้วต้องให้เป็นปัญญามากน้อยก็ต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้างคือเห็นอะไรแล้วก็ต้องคิดได้ยินอะไรแล้วก็ต้องคิดคิดให้ดี คิดให้มีเหตุผลด้วยใจที่สงบคิดหนึ่งเนืองปัญญาอันเกิดแต่การเรียนและการคิดปัญญาเกิดแต่เรียนและคิดเรียนนั้นหมายได้ทั้งเรียนด้วยหูเรียนด้วยตาคือฟังที่มีผู้สอนก็ได้ การที่มีผู้เขียนก็ได้เห็นที่ปรากฏให้เห็นก็ได้เรียนดังกล่าวทุกอย่างต้องเรียนและคิดจนเป็นปัญญาจึงจะได้ประโยชน์จริงจากการเรียนอะไรๆมากมายที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ไม่ว่างเว้นแม้ใช้ความคิดประกอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาแล้วย่อมได้ปัญญาเห็นจริงได้ แม้ทำให้เนืองเนืองความแตกต่างอันน่าพิศวงของกรรมผู้ที่ได้พบเห็นอยู่ทุกเวลาหามีที่เหมือนกันไม่ทุกคนแตกต่างกันแม้จะอบรมตามปัญญาให้เห็นเรื่องของกรรมอย่างชัดแจ้งจงตั้งข้อสังเกตความแตกต่าง ของทุกผู้ทุกคนที่ได้ประสบพบผ่านทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูงร่างพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองของหน้าใครนาปรารถนาทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูงแต่ไม่พร่างพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลต่าที่ลาบากยากแค้นทาไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลต่ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจของผู้ได้พบเห็นทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณหน้ารังเกียจทำไมมากมายหลายทำไมนี่แหละแม้หาคำตอบไม่ได้ที่แน่ใจจริงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็พึงพยายามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมที่ต่างได้ทำไว้แตกต่างกัน อันเป็นเหตุทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันดังกล่าวความแตกต่างกันอย่างน่าพิศวงของใครต่อใครที่มีให้เห็นอยู่มากมายทุกคนทุกแห่งบางคนดีแสนดีบางคนเลวแสนเลวที่แสนสุขด้วยความพรั่งพร้อมเหล่านี้ม่ใช่เพราะเหตุใดอื่นมีกรรมของตนเองเป็นเหตุทำให้เป็นไป แต่การจะทำใจให้เชื่อว่าเป็นกรรมเช่นนี้ก็มีใช่เป็นไปได้แก่คนทั่วไปใจของคนทั่วไปจึงยังไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่อาจลงใจลงไปได้ว่าอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นล้วนเป็นเรื่องของกรรมเป็นผลของกรรมที่ต่างได้พากันทำไว้ทั้งนั้นอาจจะในชาตินี้ หรืออาจจะในอดีตกาลนานไกลผลจากการปลงใจเชื่อในเรื่องของกรรมความปลงใจเชื่อให้จริงในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมมีผลใหญ่ยิ่งจะทำให้กลัวการทำกรรมไม่ดีเมื่อไม่ทำกรรมไม่ดี ผลไม่ดีย่อมไม่เกิดแก่ตนความสบายทั้งปวงย่อมมีมาแต่อย่างไรก็ตามแม้ยังไม่เชื่อเรื่องการให้ผลของกรรมว่าตรงตามเหตุจะลองพิสูจน์ด้วยการไม่ทำกรรมไม่ดีให้ตลอดไปก็ย่อมจะได้ผลเป็นการรับรองความถูกต้องว่าผลของกรรมจะไม่ผิดไปจากเหตุ ความสบายใจที่เกิดจากความปลงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นใหญ่ยิ่งมากเมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตามความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมจะทําให้ปลงใจยอมรับว่าตนเป็นผู้ทําเหตุที่ไม่ดีไว้อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็อดีตการนานไกลที่นานจนจําไม่ได้ระลึกไม่ได้ และการให้ผลของกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่ข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผลเรื่องของกรรมจึงล้าลึกเข้าใจยากนักหนาถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควรก็จะได้ความสบายใจกว่าไม่เข้าใจเสียเลยความไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม มีโทษสถานเดียวไม่มีคุณเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวเองหรือกรรมของผู้อื่นก็ตามผู้มีปัญญาแม้พอสมควรจึงพยายามทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมหรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อนซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเลย